ทรงประชุมสงบนญยตศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุชาวพกคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอออกปากขอโภชนะอันประนีตมาเพื่อตนแล้วฉันจริงหรือพวกพิสุชาวพกคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนีว่าโมฆาบุรุษทั้งหลายฉนันให้พวกเธอจึงออกปากขอโภชนะอันประนีต